มันที่มีคอสมีสองคอสนะจีนคนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันว่าก่อนมีเพลงนะ <c oughs> คนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากเลยสมัยการที่ห้าเรามีพลเมืองสิบสองล้านสิบสองล้านเนี่ยจริงจริงมันเป็นลูกผสมนะคนมอญคนเขเมรคนลาวนะแล้วก็คนในพื้นถิ่นเนี่ย สมกันเป็นคนไทยเชื้อสายไทยจริงๆอาจจะไม่มีลูกผสมสมัยการที่5มีคนไทยอยู่12ล้านคนสยามตอนเราเปิดประเทศให้ฝรั่งมาค้าขายเยอะแยะขยายกิจาการออกไปทำเมืองแร่ทำอะไรเนี่ยคนจีนเข้ามาห้าล้าน5ล้านกว่า รวมแล้วสามส่วนเป็นคนจีนแส่วนหนึ่งคนไทยสามคนยุคนั้นสามคนเป็นคนจีนคนคนจีนเก่งอย่างหนึ่งคือลูกเยอะมาถึงวันนี้แยกยากว่าคนไหนมีเชื้อสายอะไรบ้างแยกยากแต่เดิมคนไทยไม่ได้เน้นเรื่องสัญชาติวัฒนธรรมตั้งเดิมของเราใครก็ได้ มาอยู่ในอาณาจักรสยามด้วยกันไม่ทําสงครามก็ไปเอาคนเข้ามาอีกนะเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะมาเราต้องคอยดันไม่อยากได้แล้วคนเยอะคำว่าชาติชาติอะไรเนี่ยมันมาเกิดทีหลังไอ้เดิมมันเป็นแผ่นดินนี้แหละใครมาอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะกลมเกลียวกันอยู่ก็อยู่กันได้ วันนี้ก็เหมือนกันเราต้องใช้วัฒนธรรมตั้งเดิมของไทยแบบนี้ของสยามมีคอสคนไทยห้าสิบกว่าคนมีคอสคนจีนเท่าไหร่ยีสามคนพระมาณหนึ่งในสามพอๆกันกับยุคนน้นนะบางคนมาคอสก็ รู้สึกว่าแม้ไม่น่ามีหลายคอสมาปนกันเลยน่าจะมีแต่คอสคนไทยหรือคอสคนจีนแยกกันไปมันไม่มีเวลาแยกนะเพราะว่างานนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยมันเยอะที่อยู่วัดวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือเดือนละครั้งเองวันอาทิตยนะ์นี่คอสมาสองวันเนี่ยไม่พออย่างน้อยต้อง3วัน งั้นไม่ว่าจะมีกี่คอร์สนะก็ต้องมาวันเดียวกันนี้แหละเป็นความจำเป็นเพราะทรัพยากรบุคคลมีจำกัดมีคนเดียวและ้ะแล้วอย่างธรรมะนะมันก็เป็นของกลางเวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมนี่ถ้าคนหนึ่งเขารับได้แล้วไม่ได้แปลว่าเรารับไม่ได้ดังนั้นธรรมะเป็นของกลาง ใครรับได้เท่าไหร่ก็รับได้แค่นั้นไม่ใช่คนอื่นเขารับธรรมะได้มากแล้วเราเหลือน้อย ใ, ใจกว้างๆอย่าแบ่งขาวแบ่งเราในใครยังเป็นนักศึกษายกมือให้หลวงพ่อดูซิจุลาเออเนาะมีบุญกับหลวงพ่ออีกสมัยหลวงพ่อเรียนจุลาไม่มีหรอกที่จะผ่าไปฟังธรรมะนะมีแต่ผ่านนั่งสมาธิ สมัยหลวงพ่ออยู่จุฬาหลายสิบปีมาแนละ้วเข้าปีหนึ่งสี่พวกเรายังไม่เกิดหรอกอยู่นั่นชมหลวงพุทธมีในเรื่องท่านพุทธทาสอ่านหนะังสือเอาอ่านเอาแล้วก็ไม่รู้จะพอนางไงท่านสอนอนาปนาสติส6บขั้นมันยาวไปอนาปนาสติก็ดีนะแต่ว่า ผ่านขั้นสี่ก็แทบหาคนผ่านไม่ได้ลนะขั้นสี่นีจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธินะมาเองกับหลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องนั่งสมาธิลึกเลยหรอกหน้าตานั่งยากแต่ละคนนะคนรุ่นเราที่จะทำสมาธิได้จริงๆมีไม่มากลูกศิษย์หลวงพ่อที่นั่งสมาธิเก่งๆมีนับตัวได้เลยมีไม่มากอะแต่พวกนี้ถูกฝึกมา ทำสมาธิแล้วไปเดินวิปัสนาในชนั้นฝึกให้ได้สิ่งที่เราจะพัฒนามันมีสองอันเท่านั้นเองนการพัฒนาจิตใจเนีย่ยอันหนึ่งเรียกว่าสมถะกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสนากรรมฐาน2 อ, อย่างนี้ต้องแยกกันให้เป็นแยกให้ชัดส่วนใหญ่ที่ไปไหนไม่รอดนะีก็คือทําแต่สมถะแล้วนึกว่าทําวิปัสนาอยู่ไม่รู้หลัก ว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาเขามั่วนะพอนากี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่ที่เดิมหรือเซลล์จัดกว่าเก่าอีกเรื่องสิ่งที่เราจะเรียนนะในเรื่องเกี่ยวกับจิตตภาวนาหรือการพัฒนาจิตใจเนะี่ยมีสองส่วนในเรื่องของสมถากรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานแต่ก่อนจะถึงจุดนี้ต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนที่ต้องถือศีลห้า อย่าดูถูกศีลห้าถ้าขาดศีลห้าอริยมรรคไม่เกิดเพราะในอริยมรรคเนี่ยสัมมาวาจามันก็คือศีลข้อสสัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อสองข้อสมไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่รักขโมยเขาไม่ประพฤติผิดในกามศีนในองค์มรรคมีอีกตัวหนึ่งสัมมาชีวะการใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตแบบ ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นงั้นเราต้องถือศีลห้านะแล้วก็ทามาหากินแบบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นพื้นฐานถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีทางที่จะเกิดอริยมรรคได้เลยศีล น, นั้นเบื้องต้นให้ตั้งใจรักษาไว้ก่อนตื่นนอนมาก็เตือนตนเองว่าเราจะรักษาศีลห้า เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบีย น, นคนอื่นตั้งใจทุกวันทุกวันนะวันละหลายๆรอบก็ได้ตื่นมาก็ตั้งใจก่อนจะกินเช้าเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจวันหนึ่งตั้งใจมันสั้งห้ารอบเนี่ยนะเวลามันจะทําผิดศีลมันจะเตือนตัวเองขึ้นได้เร็วจะไม่กล้าทํำหรอกเสียความตั้งใจบางคนดูถูกศีล จะเอาแต่สมาธิหรือจะเอาแต่ปัญญาเอาแต่สมาธิไม่มีศีล น, นะบางทีมก็เบี้ยวออไปแบบเทวทัตมีฤทธิ์มีเดชเขาไปร้ารานคนอื่นก็ได้ไปแกล้งคนอื่นก็ได้ทีม่มีสมาธิไม่มีศีลมีปัญญาไม่มีศีลฟุง้งซ่านทําชั่วก็ได้บอกว่าเป็นอนัตตาฆ่าคนก็ไม่บาปเพราะไม่มีคน ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยปัญญามันล้มหน้าไปเงีทำชั่วได้เงี้ยศีลสมาธิปัญญาต้องถึงพร้อมนะถ้าไม่พร้อมกันลวก็อริยมรรคไม่เกิดเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตรวมเข้าถึงจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตอันนี้คือสมาธิที่สมบูรณ์แบบสมาธิที่ดีจิตอยู่กับจิต สมาธิสัมมาสมาธินะี่จะเหมือนภาชนะเหมือนถ้วยเหมือนจานเป็นที่รองรับคุณงามความดีทั้งหลายให้ประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันอริยามรรถึงเกิดได้ใ น, นเวลาที่อริยามรรตเกิดเนี่ยความดีทั้งหลายนะที่เรียกโพธิปักขีย์ธรรม37ประการรวมลงในที่เดียวกันคือรวมลงที่จิตรวมในขณะเดียวกัน เกิดเป็นพลังงานที่มหาศาลขุดรากถอนโคนกิเลสในจิตใต้สำนึกออกไปหมดขุดแล้วขุดเลยไม่มีให้ขุดอีกต่อไปแล้วเวลาที่ล้างกิเลสด้วยมรรคเนี่ยจะล้างครั้งเดียวตัวไหนถูกล้างแล้วจะไม่ต้องขึ้นมาให้ล้างอีกเห่ความดีทั้งหลายต้องนําให้ครบ ความดีมีมากมายย่อลงมาก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษานะต่อไปเราจะรักษาศีลด้วยการเจริญสติเป็นการรักษาศีลขั้นสูงคนทำผิดศีนได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตอย่างความโกรธครอบงำจิตนะมันก็ไปฆ่าเขาไปตีเขา ไปแกล้งขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้ไปแกล้งชมให้เขาเสียคนไปเลยก็ได้หรือโทสะครอบงำจิตใจฟุ้งซ่านใจเศร้าหมองก็ไปกินเหล้าเมายาคนไทยชอบนะเวลากลุ้มใจต้องไปกินเหล้ากลุ้มใจจิตมีโทสะก็ไปกินเหล้าเข้าไปอีก งั้นมีกิเลสตัวเดียวนะแค่มีโทสะตัวเดียวก็ทําผิดศีลห้าได้มีราคะก็ทําผิดศีลห้าได้เมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาอยู่จุฬาคิดว่าถ้าโกรธขึ้นมาแล้วทำผิดศีลข้อหนึ่งไปทําร้ายคนได้ถ้าโลภถึงไปขโมยเขาไปผิดลูกผิดเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาพอมาพอนาถึงรู้เลยว่า กิเลสแต่และตัวแต่และตัวนะทำเราผิดศีล5้าได้หมดเลยราคะก็ทําผิดศีลห้าได้โทสะก็ทําได้โมหะก็ทําได้ราคะอย่างเราเกิดความโลภเราไปทําร้ายคนอื่นช่วงชิงทรัพย์สมบัติเขาได้ไปมีราคะผิดรูปผิดเมียเขาอันนี้ดูง่ายมีราคะไปปรินปล่อนหลอกลวงเขามูสาวาด มีราคา ใ, ใจกรดีกระดามีความสุขก็ไปกินเหล้าได้เลี้ยงฉลองมีโมหะหรือความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยก็ทําผิดศีลได้หมดเลยนะเหมือนกันหมดคนทําผิดศีลเพราะว่ากิเลสครอบงาจิตกิเลสอยู่ที่จิตถ้าเรารู้ทันกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้พวกเราทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้ว รู้จักโลภไหมอยากได้ลักษณะของโลภะคืออยากดึงเข้าตัวคนนี้สวยอยากดึงมาอยู่บ้านเราของนี้ดีอยากดึงมาเป็นของของเราโลภะมันจะดึงเข้ามาโทรสามจะมีลักษณะผลักออกไปไม่อยากได้ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอแล้วโลภะนมันจะดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทรสามันจะผลักอารมณ์ออกไป โมหะเนี่ยจิตฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่ติดจับจดเดี๋ยวว่านนท์เดี๋ยววันนี้มั่วไปหมดกิเลสแต่ละตัวพวกเรารู้จักโกรธเราก็รู้จักรู้จักโกรธไหมรู้จักอยากไหมอยากโน้นอยากนี้รู้จักอิจฉาไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักอาฆาตไหมอาฆาตกิเลสแต่ละตัวพวกเรารู้จักนะ ต่อไปนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้คอยรู้ทันคอยรู้ทันบ่อยๆกิเลสเนี่ยมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้สติเป็นตัวรู้ทันเวลากิเลสเกิดนะเราสติเกิดไปเห็นกิเลสเข้ากิเลสจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องดับมันหรอกมันดับผมเองเพราะกิเลสเป็นอกุศล สติเป็นกุศลกุศลและอกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้คอยรู้ทันนะทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วแะแต่เราล้าเลยที่จะรู้อย่างเวลาเราเกิดชอบอะไรสักอย่างเราไม่รู้ว่าใจกำลังชอบเราโมวไปดูของที่เราชอบเห็นข่าว iPhone 6ออกอีกแล้ว ห้าก็เพิ่งจะซื้อนี่ยังใช้ไม่หมดเลยหกหมค์แล้วอยากได้สนใจดูแคตตาล็อกดูอะไรเตรียมมีความสุขที่ได้ดูขนาดนั้นไม่เห็นใจกำลังโลภใจอยากได้ไม่เห็นเห็นแต่ภาพของ iPhone มันหลอกหลอนหรือเห็นสาวสวยสักคนใจมันชอบเขานะเราก็มัวแต่ดูสาว เราไม่เห็นว่าใจกําลังชอบเราขับรถไปคนมาปาดหน้าเราเราโกรธเวลาเราโกรธขึ้นมาเราจะไปดูคนที่ขับรถปาดเราเราจะไม่ดูว่าใจกําลังโกรธเนี่ยไม่ว่ารักอะไรนะก็ไปดูของที่รักไม่ดูว่าใจกําลังรักเกลียดอะไรก็ไปดูของที่เกลียดไม่ดูว่าใจกําลังเกลียด เมื่อเวลาฟุงซานมันก็ไม่ดูตัวเองแล้วฟุงซ่านมันสเปรยะสป่าออกข้างนอกไปกิเลสมันจะพาเราหลงไปหาอารมณ์ภายนอกตลอดเวลาหลงไปชอบบ้างหลงไปเกลียดบ้างหลงจำอารมอารมณ์โน้นบ้างอารมณ์นี้บ้างมั่วซั่วไปถ้าเพียงแต่เราย้อนกลับมาเวลาโกรธขึ้นมาอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธให้รู้ทันใจที่กำลังโกรธ เวลาโลภขึ้นมาเวลารักขึ้นมาอย่าไปดูสิ่งที่เราอยากได้คนที่เราอยากได้ให้รู้ทันใจที่กําลังอยากได้ถ้ารู้ทันอย่างนี้นะกิเลสจะดับเมื่อกิเลสดับแนละ้วเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะทําผิดศีลได้เพราะมีกิเลสผลักดันนี่เป็นวิธีที่เราอย่าถือศีลอย่างประณีตนะถือศีลโดยไม่ต้องถือ ถือศีลโดยแค่วิธีรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่ใจยากไหมไม่ยากหรอกทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วโกรธเป็นไงก็รู้โลภเป็นไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นไงก็รู้จักหดหู่เป็นไงก็รู้จักรู้อยู่แล้วล่ะไม่ยากแค่คอยรู้เท่านั้นแหละถ้ารู้ได้นะศีลจะดีขึ้น แต่ก่อนที่สติจะทํางานอัตโนมัติได้อย่างนี้นะเห็นกิเลสปุ๊บปบมาเห็นต้องตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนเพราะสติยังไม่แรงไม่เข้มแข็งต้องเตือนตัวเองก่อนเตือนตัวเองวันละหลา ย, ลายรอบเพื่อเราจะรักษาศีล5้าต่อไปพอสติเราเร็วเรารู้ทันกิเลสนะศีลจะมีกี่ข้อมันมีศีลเรารักษาได้ทั้งหมดเลยนะสบายสบายเลย ถ้าต้องตั้งใจรักษาอยู่ยังรักษายากเพรกิเลสมันแรงมันจะลากให้เราผิดศีลเราไปฝืนมันเหนื่อยแต่พอสติเกิดแล้วนี่รักษาง่ายมากเลยแค่รู้ทันเท่านั้นเองรู้ทันกิเลสศนะีลมาแล้วจำเป็นนะถ้าไม่มีศีลอริยมรักไม่เกิดในอุคมรรคมีศีลเป็น1 3ข้อใน8ข้อเรื่องของศีล นี่พอเราสร้างเงื่อนไขพื้นฐานที่ดีแล้วนะต่อไปเราจะมาถึงขั้นการพัฒนาจิตใจของตัวเองการพัฒนาจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตตภาวนาแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งทําสมถะสมถะกรรมฐานทําไปให้จิตสุขจิตสงบจิตดีจิตมีเรี่ยวมีแรงนะที่จะเจริญปัญญางนในสมถะกรรมฐานเนี่ย ยังแบ่งเป็นสองซีกสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝึกไปให้จิตสงบสบายมีความสุขได้พักผ่อนอีกฝ่ายหนึ่งทำสมาธาก ร, รมฐานอีกชนิดหนึ่งให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกปานเพื่อจะเอาไ้เดินปัญญาในส่วนของสมาธิเ่ยมีสองส่วนการฝึกจิตฝึกใจให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียว อันนี้เป็นหลักของสมถะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นเราอยู่กับพุทธโธใจไม่หนีจากพุทธโธเลยมีใจอันเดียวอยู่กับพุทธโธไม่ไม่ใช่หลายใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปโน้นเปลี่ยนไปนี้นะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์อยู่กับอารมณ์เดียวหรือรู้ลมหายใจมีจิตเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็คืออารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้า คำว่าอารมณ์ในทางพุทธศาสนานะไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์คือตัวอ b อบเจกต์ใช่ไหมตัวออบเจกต์ตัวสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรียกว่าอารมณ์จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันจิตเป็นคนรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เวลาที่เราทําสมาะกรรมฐานเนี่ยนะเราทาเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่ว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง เช่นรู้ลมหายใจจิตอยู่กับลมไม่หนีไปไหนเลยได้ความสุขได้ความสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตปกติของเราฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูหรือ ว, วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดจิตเราฟุ้งตลอดนะหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์นี้แกว่งไปด้วยทําไมจิตเที่ยวหาอารมณ์ภายนอกตลอดเวลาเพราะจิตอยากได้ความสุขไปดูหนังก็หวังว่าจะมีความสุข ไปฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขไปกินของอร่อยเนี่ยมีรถเป็นอารมณ์หาของอร่อยมากินก็หวังว่าจะมีความสุขไปคิดเรื่องราวต่างๆที่สนุกสนานก็หวังว่ามีความสุขขนาดไปนั่งสมาธิก็หวังว่าจะมีความสุขอีกงั้นจริงๆแล้วจิตใจของเราหิวความสุขต้องการความสุขตลอดเวลาก็เลยวิ่งพลานเลย วิ่งไปดูหนังหวังว่าจะสุขเมื่อสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วเบื่อไปฟังเพลงไปร้องเพลงอยู่ได้เดี๋ยวเดียวก็เบื่อโทรไปคุยกับเพื่อนคุยได้สนุกสนานสักพักเดี๋ยวก็เบื่ออีกละจิตต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่อิ่มในความสุขเพราะนั้นถ้าใครเขาถามเรานะทาไมจิตเราไม่มีสมาธิจิตมันหิวอารมณ์มันวิ่งพล่านไปหาอารมณ์ต่างๆตลอดเวลามันเลยฟุ้งสั้น ถ้าอยากให้จิตมันสงบมีความสุขมีความสงบอยู่ในอารมณ์เดียว ก, ก็ต้องรู้จักเลือกหาอารมณ์ที่มีความสุขนี้แหละมาเป็นเหยื่อลอดจิตจิตเหมือนเด็กเด็กก็เที่ยวเล่นไปนอกบ้านวนะิ่งพล่านไปทางโน้นทางนี้ทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกเที่ยวไปเล่นเด็กมันก็เล่นไปด้วยความอยากจะมีความสุข อยู่ๆผู้ใหญ่จะบังคับเด็กว่าห้ามออกจากบ้านเนะ่เด็กเครียดผู้ใหญ่ฉลาดที่ต้องหาอารมณ์ที่เด็กชอบใจมันล่อให้อยู่ในบ้านหาขนมที่เด็กชอบเอามาไว้ในบ้านเด็กชอบกินขนมเด็กก็ไม่ไปไหนไม่สนมันนั่งกินขนมอยู่ในบ้านไม่หนีออกไปนอกบ้านผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มั่งง่ายเอาก็เรียกอะไรนะ แทบ็บแท็บเล็ตให้เด็กเล่นเด็กมันก็เล่นทั้งวันเลยไม่หนีไปไหนจนกวถ้ามันคุยกับมนุษย์ไม่เป็นจะคุยกับใครต้องเช็คจิ้มเอาแล้วเป็นโรคคอเสื่อมกระดูกคอเสียหมดเลยพี่คนพิการตั้งแต่เด็กวันวันนั่งเนี้ยถ้าเดี๋ยวนี้พวกเราไปดูเถอะที่ไหนก็เหมือนหมดเลยนี่หลวงพ่อไปขอนแก่นนะที่สนามบินนะทั้งสนามบิน ที่ดอนเมืองสนามบินที่ขอนแก่นนะเหมือนกันหมดเลยทุกคนมีกนละตัวบางคนมีสองอันกนอันนี้อันนี้มีอันใหญ่มีอันเล็กนะ <c oughs> <c oughs> เวลาอย่างนี้มันไม่ไปยุ่งกับคนอื่นใช่ไหมเพราะมันจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ได้บอกให้พวกเราฝึกสมถะด้วยการเล่นในพวกนี้นะ อย่างผู้ใหญ่อยากให้เด็กไม่สนพวกนี้มาให้เด็กเล่นเด็กไม่ไปเที่ยวไหนเลยอยู่กับที่เลยจิตนี้เหมือนกันหิวอารมณ์เหมือนเด็กยิ่งพล่านไปภายนอกเราเป็นผู้ใหญ่ฉลาดนะฮะอารมณ์มาล่อแต่ต้องอารมณ์ของเราต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ทำให้เกิดโทษกับเด็กไม่ไม่เกิดโทษกับใจดวงนี้อย่างเอาอินเทอร์เน็ตให้เด็กเล่นอะไรพวกนี้นะมีโทษเยอะ เรารู้จักเรื่องอารมณ์ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเป็นอารมณ์ที่มีความสุขอันนี้ต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าใจเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะให้เลือกอารมณ์ชนิดนั้นไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นคนอื่นเขาพูดโธมีความสุขนั่นมันเรื่องของเขาเราพูโทโแเรากลุ้มใจมันไม่เหมือนกันบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ให้เขารู้ไป ของเราถนัดเดินจงกรมเดินแล้วมีความสุขนะเห็นร่างกายเดินใจมีความสุขเราก็เดินเอาต้องดูตัวเองการทำกรรมฐานอย่าไปเรียนแบบคนอื่นนี่คือเหตุผลนะที่หลวงพ่อใช้วิธีสอนและให้พวกเราแยกย้ายกันปฏิบัติสมัยพุทธ ก, การก็ทำแบบนี้พุทธเจ้าสอนสอนเสร็จแล้วพอเข้าใจหลักของการปฏิบัติแนละ้วท่านก็ไล่เลยโน่นโคนไม้นะเลือนว่าง นั่นภูเขานี่ถ้ำแยกย้ายกันไปพอนาแต่ละคนก็พอนาในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองงันหลกพ่อจะไม่มีคอร์สชนิดที่ว่านั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันทำอะไรพร้อมๆกันยกเว้นอันเดียวกินต้องกินพร้อมๆกันนะให้กินทั้งวันคงไม่ไหวฮนะไม่มีให้กินเวลากิน้วกินพร้อมกันมีอย่างเดียวเท่านั้นนะเข้าห้องน้าก็ไม่ต้องพร้อมกัน เพมันเข้าได้ทีละคนเข้าไปสองคนไม่ได้ดังนันไม่มีนะักคอรสประเภทเดินด้วยกันเหมือนๆกันทําไมไม่ทําแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกันบางคนให้ไปเดินนะกลุ่มใจไม่ทรามานเข้าเปล่าๆต้องรู้จักนะเลือกอารมณ์อารมณ์ใดที่อยู่แล้วมีความสุข้ ต, ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างเล่น อินเทอร์เน็ตเล่นแชทเล่นไลน์อะไรอย่างงี้นะแล้มีความสุขแต่อันนี้ยั่วกิเลสทาให้ฟุ้งซ่านทําให้หลงขาดสติบางทีก็เกิดราคะบางทีก็เกิดโทสะก็ผิดศีลง่ายมากเลยคนรุ่นเรานะรู้สึกผิดศีลง่ายเห็นคนเขาด่ากันไปกดไลค์เขาเห็นดีเห็นงามแล้วนะนะผิดศีลไปกับเขาด้วย ข่าวปลอมๆ ม, มีข่าวปลอมๆ ม, มาเต็มไปหมดใครๆก็แต่งข่าวได้ตอนนี้เอาไปเผยแพร่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะแชร์ช่วยขยายของโกหกออกไปอีกนเะนี่ยศีลดังพลอยไปหมดเลยนะทีก็ด่าคนโน้นด่าคนนี้นะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นไงก็ไม่รู้เอามันไว้ก่อนอย่างเนี้ถึงสนุกนะถึงมีความสุขนะ แต่ดังพร้อยอย่างนี้ไม่เอาอารมอย่างนี้เสียศีลเลือกอารมณ์ที่ไม่เป็นโทษอารมณ์ที่ไม่เป็นโทษนั้นพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วในกรรมฐานสีสิบอย่างอยากใต้อันไหนก็เอาเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คนไหนมีศรัทธาเยอะคิดถึงพระเจ้ามีความสุขจิตใจก็มีความสุขจิตใจจะมีความ ส, จจมามสงบ คือคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วจิตจะสงบสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งพอน้ำไม่เป็นออกรุ่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์หมดแล้วนะท่านเสียใจมากเลยวันหนึ่งนะเอามีดโกนปาดคอตัวเองฆ่าตัวตายว่ามันไม่มีดีสักอย่างอยู่ไปก็เท่านั้นแหละอันนี้ห้ามเรียนแบบนะปาดคอแล้วท่านก็มานึกได้ไหมตั้งแต่บวชมานี่รักษาศีลมาอย่างดีเลย ไม่เคยด่งพลอยเลยเพอคิดถึงว่ารักษาศีลดีเท่านั้นสมาธิเกิดเลยจิตใจมันมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจำหลักนี้นะถ้าใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรใจก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นเพียงแต่เราต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเท่านั้นเราคิดถึงว่าโอ้เราถือศีลมาได้ตั้งสามเดือนแล้วไม่ด่างพลอยเลย จิตใจจะมีความสุขนะสมาธิจะเกิดเองหรือคิดถึงทานก็ได้เราให้อภัยคนก็เป็นทานนะหรือให้วัตถุสิ่งของก็เป็นทานเราให้เขาไปบาทหนึ่งคิดวันหนึ่งหลายหรอบแล้วปลื้มใจคิดแล้วก็ปลื้มใจนะทุกคราวที่คิดเราปลื้มใจนะบุญเกิดขึ้นทันทีเลยงินถ้าเราทาบุญหนึ่งบาทบริจาคหนึ่งบาทไปช่วยคนจนเราคิดมาละหมื่นครั้ง ได้เท่ากับบริจาคหมื่นบาทน ะ, ะใจขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่แบบเดียวกันถ้าเราบี้มดหนึ่งตัวแล้วคิดหมื่นครั้งก็คือบี้หมื่นตัวงั้อย่างเวลาเราทำความดีนะเราคิดถึงบ่อยๆได้เรามีศีลเราคิดถึงเราทำทานเราคิดถึงหรือเราคิดถึงครูบาอาจารย์คิดคิดถึงคนที่ดีอย่างถ้าเราคิดถึงในหลวงเรามีความสุขในหลวงเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ย คิดถึงสมเด็จพระเทพน่ารักเห็นท่านไปเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยท่านทำอะไรก็น่ารักหมดนะท่านเดินข้างถนนก็น่ารักนะท่านกินข้าวมันไก่กินข้าวขาหมูก็น่ารักอีกคนมีบุญอะถ้าคนไม่มีบุญนะไปใส่บาทมันก็หาว่าเอาหน้าที่ทำดียังไงมันก็ว่ายย้เหรอเนี่ยปากมนุษย์นะเว <c oughs> ลาเราคิดถึงคนดีๆใจเรามีความสุข นี่ก็เป็นหลักของสมถรกรรมฐานนะเรามีต้นแบบของคนดีในใจบ้างไหมให้ดูที่ความดีของเขานะเราไม่รู้ว่าเขาชั่วอะไรอย่าไปาวาดภาพว่ามนุษย์มันจะเพอร์เฟกเหมือนก็ดีบางอย่างก็เลวบางอย่างทุกคนนะ่ะนี่เราคิดถึงคนที่ดีใจเรามีความสุขอันนี้เป็นกรรมฐานนะเรียกว่าเทวตานุสติ คิดถึงเทวดานี่คิดถึงเทวดาไม่ต้องคิดถึงพร อ, อินทร์พระพรหมอะไรนะจับต้องยากคิดถึงคนที่เป็นเทวดามนุษเทวาอย่างเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งเป็นคนดีจิตใจเขาเป็นมนุษสเทวเเขาเรียกเป็นมนุษสเทวาเราคิดถึงเขาแล้วเราก็ปลื้มไปกับเขาด้วยว่าคนนี้เขาดีเขาชอบทำบุญใจเราก็สงบแต่พอเราไปคิดถึงเขาแล้วเอว่เอาหน้า แก้งทาเป็นกันเอย่างนี้ไม่ใช่เทวตารู้สตินะใจไม่สงบหรือเราคิดถึงลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะรู้สึกอยู่กับลมหายใจบางคนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปคิดถึงลมหายใจไปเรื่อยนี่ตอนนี้หายใจออกแล้วตอนนี้หายใจเข้าแล้วระลึกไปเรยหรือระลึกถึงร่างกาย เป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเป็นส่วนๆไปผมมีรูปร่างอย่างนี้เส้นผมนึกถึงผมหนึ่งเส้นหรือจะหลายเส้นก็ได้ผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่ถึงขนาดต้องมีรสอย่างนี้นะไม่ต้องชิมเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยนะใจมันก็สงบเพลิดเพลินอันนี้ต้องอยู่ที่จิตชอบ ถ้าจิตไม่ชอบไปดูผมคนเล็บฟันหนังนะละเอีสะเสียเงนมาใจไม่ชอบไม่สงบหรอกต้องดูที่ใจชอบเป็นหลักนะอารมณ์มีตั้งเยอะแยะไปนะที่จะให้จิตมาพักผ่อนอยู่เนี้เรามีความสุขบางคนชอบไฟจุดเทียนมาสักดวงหนึ่งแล้วก็นั่งดูไฟไปเพลิดเพลินมีความสุขนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกนะ ดูอารมณ์ที่มีความสุขก็จริงนะแต่ต้องไม่ไม่เกิดกิเลสไม่ยัว่วกิเลสอย่างเราจุดเทียน น, ะนั่งดูเห็นแสงสว่างเรลไฟมันไห ว, ไหวใจมันชอบนะใจสงบอยู่กับไฟแต่ว่าหลวงพ่อไม่แนะนำนะไม่แ น, นนะแ น, นำเพราะการดูไฟเนี่ยมันจะมาต่อเข้ากับการเจริญปัญญาเนี่ยยากมันยากเลือกกรรมาฐานที่มันจะต่อเข้ามาสู่การเจริญปัญญา กรรมฐานที่ใช้เจริญปัญญาเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจอย่างลมหายใจนี่ต่อเข้าปัญญาได้นะอ้าหมดเวลาแล้วล่ะนะไปกินข้าวก่อนงั้นจะเทศกว่าจะจบ40ข้อเนี่ยเราใส่ถึงพรุ่งนี้เลยนะ